ต่อไปนะครับก็คำลู่ในหลสุนที่เราใชจบที่งนามานี้นะครับแล้วเจ็ดสิบนะครับข้อสิบนะครับพิสูรรูปใดขุดเองก็ดีให้หุนขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินดินร่วนร่วนโวยมากดินเหนียวเหนียวรวยมากที่ฝนตก แล้วเวลาผ่านไปได้สี่เดือนต้องอาบัตดปาจิตอีกนะครับนี่นะเกี่ยวกับารขุดดินนะครับตอนนี้เขาว่าขุดดินไม่ได้หมายถึงขุดอย่างเดียวนะจะเป็นการขุดการทุกทําลายหรือว่าการเผาก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ทงนั้นนะอย่างนี้นเราไปเผาดินหนระือเผากอหญ้าใช่ไหมบนดินที่มันยังดีๆเราไปเผาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับมันทำให้ดินเสียหายถือว่าเป็นการทําลายดินนะก็จะต้องอำบัดในข้อนี้นะครับ หรือไระบมบน้เนี่ยระบบน้ำตรงดินธรรมดาเลยไม่ถ้าระบบน้ำระบบที่ที่เขาเคยระบบน้ำไปแล้วดินมันจะเสียไปแล้วเราไม่ใช่ดินแท้แ <_' S 1> ล้วนี่นะหรือว่าบนอหินนะครับอย่างนี้ให้บบนั้นนะแต่ถ้าเป็นระบบตรงดินไหนไม่ได้เป็นต้องข้อ น, นี้นะครับออรันนั้นก็มีนดต้องระวังนะแต่พวกข้อ น, นี้ต้องมีจิตานานะครับถ้าเราไม่ตั้งใจงก็ไม่ต้องอำบากนครับ ใจไม่ควน้เฟี้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับมีขั้วบนอยู่ครับขับนขั้วขั้อ๋อเดี๋ยวให้ตายที่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าไม่มีเจตนาก็ยังไม่ต้องอาบัตนะครับถ้ามีเจตนาจริงแต่ก็ไม่ขวดที่เรารู้เรงรู้ว่าเนี่ยมันจะไปทำลายกับอะไรใช่ไหมครับทีนี้นะครับเอาแล้ก็กับดินนะต้องมาวินิจฉัยดินนะครับว่าเพราะว่าขุดดินบางอย่างก็ไม่ต้องอาบัตนะครับ ต้องเป็นดินร่วนหรือดินเหนียวร่วนๆเลยนะครับถ้าดินทรายนี่ไม่เป็นถ้าเป็นทรายไปเลยนะเป็นทรายนะครับหรือว่าเป็นกรวดเป็นหินอะไรไม่เป็นครับดินร่วนดินเหนียวร่วนๆเลยหรือว่าด้วยมากนะครับที่จะต้องอาบัดนะด้วยมากนี่เอาส่วนขนาดไหนนะครับต้องเอาสองถึงสามนะครับสมมติว่าเราทรายนะทรายหินกรวดแร่ คนนี้นะขุดไปเถอะไม่ต้องอางบอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นดินผสมกันน่ะมันมีดินครึ่งหนึ่งมีทรายครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ต้องอาบัตรนะครับไม่ต้องอามัตนรนะครึ่งต่อครึ่งเนี่ถือว่าอยังน้อยนะมันต้องสองต่อในส่วนสามนะครับคือมีดินต้องสองส่วนนะมีทรายมีหินมีกรวดแค่ส่วนเดียวอย่างนี้ถึงจะเป็นดินแท้นะครับทีนี้ว่าเขาเสนาชัยนี่เป็นดินแบบไหมชอ ใคุดแล้วเป็นินแบบไหนดินเยอะหรือว่าหินเยอะหรือว่าคูพอกันหรือว่าเป็นบางจุดแล้วแต่บางจุดหรือเปล่าถ้าเป็นถ้าเป็นนี้คือดินเหินก้อนใหญ่ๆไปเลยใช่ไหมหินอะ หินเยอะไหมหินเยอะไหมหรือขุดไปขุดมาันนี้ก็เจอหินขุดไปขุมากเจอหินเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมนี่จะเป็นยังจะเป็นหินโดยมากแรือว่าขึ้นต่อขึ้นแต่ดินก็เยอะหรือเปล่าแล้วจะจุดนะเออแล้วแต่จุดนะครับอันนี้เราก็ดูไปแล้วกันนะถ้าขึ้นต่อขึ้นก็ขุดได้นะผ้าขุดเองเลยนะครับหรือว่าเนี่ยก็ชื่อว่ามีพวกกรวดพวกหินพวกซาร์อดมากนะขุดได้เลย เพราะว่ามีหินเยอะะหินเยอะมากนัก็คุดได้เลยครแต่ถ้าว่าดินมันเกินครึ่งม า, มากๆครึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับ <c oughs> พี่ผมไม่ว่านะหินมันเยอะมันขุดได้มีอุบบาสรรคหรอกไสายขนี้เดี๋ยวถ้าจะมีพูดถึงเน่ะ มันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่มันมีทรายหรือมีมห็นมกวดมากนะครับพราขุดสานเองเลยนะครับยังได้นะขุดสานะขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดินอนีนะ้ถ้าเป็นทราย ม, มีปัญหาอะไรนะครับอนี้นะเอาดินแท้การดินแท้ต้องอยู่แล้วแล้วก็ดินผสมที่มีดินโดยมากนะแบบอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นกองดินนะครับความมีดินเนะี่ย ที่กขาขุดออกมาจากตัวดินจริงแล้วที่มากรองไว้นะครับตอนนี้มันไม่ใช่ดินแท้แล้วนะถือว่าขุดออกมาแล้วใช่ไครับหรือว่าเอารถเข้าไปขุดมาแล้วก็มากองดําไว้กรองตรง น, นี้นะไม่ใช่ดินแท้แล้วนะครับเราสามารถขุดทําอะไรก็ได้นะทีนี้ถ้ากรองดินเนี่ยมันถูกฝนตกงรถนะครับตกรดแค่แค่ครั้งเดียวก็แล้วแต่นะแล้วก็เปลี่ยนชุ่มไปนะครับเวลาระยะเวลาผ่านไปถึงสี่เดือนพอได้สี่เดือนปุ๊บเนี่ย ไอกองดินนี่ถือว่าเป็นดินแท้แล้วนะครับเราจะไปขุดไม่ได้แต่ถ้ายังไม่ถึงสี่เดือนเป็นไรนะเพรายังขุดยังอะไรได้นะครับแต่ถ้ามันไม่เจอน้าเลยไม่โดนฝนเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นดินไม่แท้นะก็ขุดเรื่อยๆนะเนี่ยเป็ น, นอย่างนี้ทุกข้อเป็นครับถือว่าทําลายหมดเลยนะดิมเนี่ยเขา้าทุ่งดินก็เป็นครับเป็นการขุด การทุบนะครับอะไรเนะการเผานะแล้วก็แม้แต่เราฉี่นะครับตั้งใจว่าจะเอาน้ำปัสสาวะทําทลายแผ่นดิ น, นครับก็ยังต้องเอาบดเลยนะเออขนาดอะไรเนรี่ยเขาไม่ได้เลยเอาตะปองตะปูอะไรไปต่อดินนี้ก็ไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรเจอน้ำไม่ทํำลายดินไม่เป็นไรนครับเจอน้ำปัสัาวะออกให้ปุ๋ย ว่าแตไม่ได้ต้องดู้นะถ้าให้ปู่เ่ยต้องดูว่ามันไปปสัสสาวะโดนของสดเขียวหรือเปล่านะครับของเขียวสดนะมันอยู่ในสายียวัตนะคระับปัสสาวะใส่ของเขียวสดไม่ได้นี่นะถึงมันไม่เขียวแต่มันสดเป็นล่ามุล่าม้านี่ก็ไม่ได้นะจะไปโดนข้อนะครับนีนนถึงขนาดว่าเวลากวาดนะเราตั้งใจจะให้ไม่กวาดเนี่ยไปกวาดดินนะครับดินไม่เรียบใช่ไหมเอาไม้กวาดกวาดให้มันดินมันเรียบมาเลยอย่างนี้นะครับ นี่ก็ไม่ได้ก็เป็นการทำลายดินข้อนี้นะไม่ได้นะตายนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่วเราตั้งใจแค่กวานใบไม้ทำลายไม่เป็นไรนะถึงไปโดนดินบ้างแตกบ้าง่เป็นไรแต่นี่เขาต้องการจะทำให้ดินที่มันไม่เสมอกันใช่ไหมต้องการจะปั่นนะครับให้มันเสมอการอย่างนี้นล ผมว่ามีการบำลายนะครับน่งจะต้องครับเนี่ยข้อนี้ความจริงอย่าว่าภาคขุดดินเองไม่ได้ดีอยู่แล้วมันไม่ลำบากเวลาต้องการต้องขุดดินต้องการหลุมอะไรเราใช้ในอย่างเดียวเราจะกลับไปิยะหัวหานแล้วะกันแน่กัปปิยะหลุมหห น, นพี่หน่อยกับไปิยะดินหน่อยสบายใช่ไหมเนย่ยผมว่ามันสบายในพวกตัดต้นไม้ถอนยาอะไรกูเหมือนกันนะถ้าทําไม่ได้ดีอยู่แล้วครับ ไม่ต้องลาบากถ้าพลากทำหน้าเนี though, ่ยโห้ราบากเลยนะเนี anyway ่ยต้องตัดหญ้าเองอะไรโอ้ลำบากครับากไมด้แล้็น้าไปฟันหมามุกเองเนี่ยโห้ลบากนะตอนต้องทำไรหาเรียนอนะอาจจะมีการแกงกันไปนะตัดหมามุกเนี้ยอันนี้นะทำไม่ได้ดีแน้นครับสะดวก ต่อไปมาดูต้นบัญญัติงในสิขาบท น, นี้้อกสังขัยนะ น, น, ยนี้นมันหยามาจากที่สูตชาวรัชอาลาีนี่นะพวกนี้จาําไว้เลยนะครับเราเจอตั้งแต่ในอําบัตรสังขารที่เสกแล้วนะพวกนี้เนะี่ยที่ช่อบขอสร้างไงสร้างกุฏิยังประมาณใช่ไหมแล้วไปขอลายขออลายตอนน่อลายชาวบ้านนะจนชาวบ้านเขาก็กลัวใช่ไหม เห็ hey, บนบูแดงๆนี่ว่าเป็นพระกยังกูัวอะไรนะครับเนี่ยทพิจูชาระอาราวีาน ะ, ะเจอหลายข้อเลยนะครับแล้วก็ยังก่อสร้างกันเรื่อยๆนะโดยสมัยนั้นเมื่อพระพุทเจ้าประทําอยู่ณอัคคะละวัจเจดีเขตรอาราวครีครั้งนั้นพวกธวิสูชาระอาราวีช่วยกนันทํานวกรรมคือก่อสร้างนวากัน ว, ว่าใหม่กำกักระทําการทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมา คือก่อสร <c oughs> ้างนะเมื่อก่อสร้างก็ทําไงขุดเองบ้างให้คุณขุดบ้างซึ่งปฏิพีครับคนทั้งหลายพามันเพ่งเท่าทีา่เตรียมพัฒนาว่าฉ น, าานาั้นพระสมณะเชื้อสายปัสกยบุตรจึงได้ขุดเองบ้างคุณขุดบ้างซึ่งปฏิพีพระสมณะเชื้อสายปัสกยบุตรย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะนะครับชาอินเดียสมัยก่อนก็ถือว่าดินเนี่ยมันก็มีชีวิตนะมีชีวามีจิตมีอะไรอย่างนี้นะครับ พิสูจนทั้งหลายยินคนพวกนั้นเพ่งเท่าดิเตียนพุทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสนโดแต่งก็เพ่งเท่าบิเตียนพุทนาแล้วก็กราบคือเนื้อฟังเป็เจ้าสงสร้ารนะครับพระองค์ก็ประชุมสงสงสอบถามทรงติดเตียนแล้วก็บัญญัติคาบทนี้ขึ้นมานี่นะครับนี้มาดูความที่บาในกลางขาครับตวาที่บานกลางขาครับหน้า ร้อหกสิบสองข้อที่สิบนะครับอธิบายปฐวีคณนะสิขาบทพึงสร้างวิชัยในสิกขาบทที่สิบต่อไปนะปฐวีดินมีอยู่สองคือชาตปิปฐวีดินแท้นะหนึ่งอาชาตปิปฐวีดินไม่แท้นะครับในปฐวีเหล่านั้นชาตปิปฐวีดวีมีสามคือหนึ่งชาตปิปฐวี สุท้ายปฐพีคือดินล้วนๆนะเป็นดินเหนียวดินร่วนก็แล้วแต่นะครับมิสซาปฐพีดินผสมสารปุนชาปฐวีนี่กองดินนะครับในปฐวีทั้งสามนั้นสุดท้ายปฐวีคือดินร่วนล้วนนะครับหรือดินเหนียวล้วนๆมิศสซาปฐวีคือดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีหินกรวดกระเบื้องแร่หรือทรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นส่วนที่สาม หมายความว่าแ บ, บ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมมีหินกรวดกับเบื้องแร่หรือทรายแค่ส่วนเดียวอีกสองส่วนเป็นดินนะครับฉนั้นเลยบอกว่าสุทธาปฐวีเนี่ยมีจำนวนมากกว่าพวกหินเป็นต้นถึงสองเท่านะคร<ม>ับอันนี่นะชื่อว่าดินผสมนะครับเป็นดินแท้เหมือนกันแล้วก็คุณนชาปฐาวีคือกองดินร่วนนะครับหรือกองดินเหนียวที่ถูกฝนตกรดเกินสี่เดือนที่อธิบายไปแล้วนะครับ และกองดินนั้นก็ดีนะฝุ่นที่ติดอยู่บนแผ่นหินก็ดีนะครับแม้บนแผ่นหินมันมีฝุ่นยอยู่ใช่ไหมแล้วก็ฝนตกนะครับมันก็จับตัวกันเป็นก้อนเป็นอะไรงี่นะอันนั้นนะครับมันร่วงไปสี่เดือนนะหรือกองินนี่รวงไปสี่เดือนก็เป็นดินแท้เหมือนกั น, นครับฝุ <c oughs> ่นที่ติดอยู่แผ่นหินก็ดีถึงจะถูกน้ํารดเพียงครั้งเดียวนะครับ แต่ก็เปียกชุ่มแล้วนะพอเลยสี่เดือนไปจัดเป็นประเภทของปูชักปฐพีเหมือนกันนะครับปฐพีสาประเภทนั้นที่ยังไม่ถูกไฟไหม้นะถือว่าถ้าถูกไฟไหม้พบแล้วก็ไม่เป็นดินแท้แล้วนะครับอันนี้ไม่ถูกไฟไหม้ด้วยถือว่าเสียหายหอยู่ถูกทำลายไปแล้วนะครับความร้อน ล, ละอุนันแผ่ไปถึงไหนที่ไม่ที่โดนเผานะครับ น, นั่นก็เป็นดินไม่แท้แล้วอันนี้บอกว่ายังไม่ถูกเผา ยังไม่ถูกเผาไฟไฟไหม้ด้วยการทําเป็นเตาหรือระบบบาาเป็นต้นจึงได้ชื่อว่าชาตากัพรวีดินแท้นะครับชาตากัพรวีนั้นเรียกอีกอย่างว่าอักขเสียงปฐวีดินที่ยังไม่เป็นอักขเสียงไม่สมควรนะครับคือถ้าไม่สามารถที่จะขุดเองได้นะอาชาตากัพวีดินไม่แท้นะครับหมายถึงดินที่ถูกไฟไหม้แล้วคําว่ายังไม่ออกไปนะ ดนี่ถูกไฟไหม้แล้วนะครับหรือดินที่มีส่วนผสมของหินเป็นต้นเกินกว่าประมาณตามที่กล่าวนะก็เป็นหนึ่งสนสอง่งครึ่งต่อครึ่งอย่างนี้นะก็ถือว่าไม่แท้แล้วนะครับส่วนประแท่หินนล้วนเป็นต้นไม่จําต้องกราดเลยเป็นไม่แท้อยู่แล้วนะครับนะบรรดาดินเหล่านั้นดินที่ท่านเรียกว่าชาติปฐวีจัดเป็นอากัศปิยะปฐวีหรืไม่แท้นะครับี เด็ดินแท้นะไม่สมควรนะครับพิสูจน์ได้ขุดดินเช่นนั้นด้วยตนเองทําให้เสียหายไปด้วยการเจาะนะครับเนี่ยจะเจาะไม่ได้เลยนะจะขุดเจาะเป็นโมงใช่ไหมหมีเจาะทำอะไรนะแต่นะครับทุกทําลายก้างเคียนะแม้เราจะเอาไม้เอามุนเคียนลงไปในดินนะครับทําลายดินนะไม่ใช่โยนฝุ่นเฉยๆนะครับแต่เข้าไปในดินเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเขาเป็นต้น พิสูจนั้นต้องบัตรปาจิตติตามจำนวนความพยาญยบนะครับอย่างเช่นเสียงใช่ไหมลงไปกี่ทีก็ต้องบัตรตามนั้นนะครับส่วนพิสูจใดใช้ให้เขาขุดนะครับใช้ให้เขาทําลายโดยในอังกล่าวแล้วเมื่อสั่งจอบจงว่าจงขุดที่ตรงนี้บอกแล้วเน้นจงขุดตรงนี้นะขุดหลุมตรงนี้หน่อยนะครับแล้วขุดไม่ไม่เพราะว่าหลุมนะให้ขุดตรงนี้นะขุดดินตรงนี้นะ จงทําลายที่ตรงนี้จงขุดดินนะครับจงทําลายดินเป็นต้นเพราะการสั่งเนะี่ยต้องมาทุกโกรธก่นะอนตอนสั่งสั่งครั้งเดียวถึงผู้ขุดจะขุดทั้งวันเลยนะครับเราสั่งครั้งเดียวนะผู้สั่งก็ต้อง บ, บัไปตีตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพิสูจน์ผู้สั่งสั่งแล้วสั่งอีกพวกแนอาจจะขี้เกียจนะเอา้าขุดสิแนะ่มันขุดไปได้สักพักแล้วก็หยุดนะี่ย อ้าคขุดอี้คุดอี้ก็ต้อบลายเจอนะตามจนกเงินที่สันะครับสั่งหลายครั้งต้อบัอาจิตีนะครับทุกคนเนี่เปลี่ยนไปอีกทีนะทุกๆคําพูดนะครับ น, นี่นะครับต่อไปอันนี้ผมเขียนมาให้นะแม้แต่ใช้น้ำพะเสวะทําลายแผ่นดินก็ไม่พ้นนะครับ หรือเผาดินละบงบาดจุดต้นไม้แห้งหรือตอไม้แห้งก็ไม่ควรต้นไม้แห้งหรือตอไม้แห้งนะเราไปเผาได้ใช่ไหมแต่ว่าจะไปเผาที่มันมีดินเนี่ยไม่ได้ดินมันจะไหม้ไปเรื่อยถือว่าเป็นการทําลายดินนะครับต้องไปเผาหลังแผ่นหินนะไปเจอตาบ้านนอกมันที่อุ้งกองแย่เขาวกวาดขยะรวมกันแนละ้วเขาก็เผาเลยนะครับมันก็ดั้มไปหมดแล้วนะเป็นจุดเป็นจุ ด, เ ป, จดเป็นจุดนะครับว่นว่าไม่น่าดูเลยนะ พอไปจุดไปดูดำไปนะครับมันเนี้บ้านๆ น, นอกมาที่นะครับจุดมามันนี้ไม่ได้นะมันจะเป็นโดนข้อนี้นะครับไอ้ที่ดินทำลายดินไปด้วยมี น, นนะนะครับแล้วก็พอจะมุ่งที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับารตอกตะปูตอกตะปูแล้ว ก, ก, ก็ไม่ได้นะครับตอกตะปูตอกไม้ลงไปยินก็ไม่ได้นะแต่ว่าการถอนออกมล้ได้ครับ ตะปูเขาตอกไว้หรือว่าเสา ต, ต้นๆน่ะนะเขาตอกลงไปในดินเราสามารถถอนออกได้ครับแ้่ถอนที่ตรงๆนะห้ามเขย่าถ้าไม่ดินแตกมีความสามารถไหมครับถอนตรงๆเลย<ม> <c oughs> ถ้าเสาเนี่ควจะลํา บ, บากนะสานาใหญ่มันเขาไม่โยกไม่ได้นะครับมันไม่ขึ้นมันยังติดอยู่ใช่ไหมครับนะแต่ถ้ายกอเลยเป็นอาบัตเลยนะครับบางทีมีบางที่ที่ว่าประทานนะ โยเข้ามาบูชาเจดีย์ที่ว่าท่านยังจะมีดินอยู่ที่ค่าเจดีย์นะครับเขาก็เอาทุกปักมาเลยนะครับที่ดินนั่นแหละถ้ามากเก็บไม่สงสัยเนี่ยดึงออกหน้านรือได้หน้านะครับแต่ดึงตรงๆนะอย่ายไปเองให้ทําลายดินนะครับอนี้ไปตรงๆเลยจะเป็นตะกูปเป็นทุบเป็นเทียนก็แล้วแต่ที่เขาปักลงไปในดินแม้แต่ม้เลยครับแล้วก็ดึงออกได้ไม่ถือว่าเป็นปการทําลายแผ่นดินครับแต่ว่าต้องเดือตรงๆนะ เอียงโยกให้เดินเสียนี่ไม่ได้ครับแต่ถ้ามีพลังงานอีกก็ไม่ได้เท่านั้นนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับอันนี้นะมีได้ถึงขนาดว่าอย่างเงี้ยท่านบอกว่าถ้าวิสุทที่ด้านเดินจงกรมนะท่านจะเดินจงกรมเดินไปเดินมาเพื่อตั้ง ใ, ใจว่าจะทําลายแผ่นดินให้มันเรียนเป็นทางินของท่านนะครับออ <c oughs> ้ว่าจมกรมจะได้ปรากฏไง คนจะว่าโอ้พานี้มใชธรรมดาน่านนี่ปพปลว่ความเพียงขนาดนี้นะถึงที่จงกรมนิน่างไปเลยนะครับทีนี้ก็ไม่ได้นะครับใช่ไม่ควรนะอ๋อครับส ม, มัยก่อนก็ยังจงกรมจงรัสติประธานครับจะรั้ธรรมนะหรือว่าท่องท่องหนังสือก็ยังจงกรมนะครับแต่ควาจริงๆมีอันนี้สองงานยังจงกรมอยู่นะผมจําไม่ได้นะว่าอะไรมาก เดินจนกลมพอเราความเพียรไม่เกี่ยจค้างไงเราไม่เอาต่อนอนไม่เอาแต่อะไรใช่ไหมครับเดินจงกลมการเดินกลับไปกลับมานะมีกรรมฐานใส่จะอิริยาบถเลยแต่ของเราในข้ออิริยาบถแบบผ่านะครับก็ใช้อิริยาบถได้ตามปกตินะแต่ใส่ใจความจําเป็นนะครับธรรมดาเราไม่ได้ใส่ใจความจําเป็นนะที่เราอยู่ประจําวันนี้ใช่ไหมครับบางทีนะอย่ากจะเดินก็เดินอย่างจะนั่งก็นั่งใช่ไหม ไม่ได้ใส่ใจเหตุหรือว่าแหตุความจําเป็นมันมีแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ใส่ใจใจมันมุ่งไปที่อะไรมุม่งไปที่ความสบายครับเวลาถืว่าเรานั่งนานมันเมื่อยพอเมื่อยผู้ถามว่าอะไรเกิดขึ้นมันโทสะเกิดครับโทมนะโทสะเข้านะความไม่ชอบใจอิริยาบถเก่าที่มันปวด ม, มันเมื่อยครับและใจเมื่อเป็นหัดอิริยาบถใหม่เท่าที่เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นเดินหรือเปยืนปุ๊บแล้วมันจะหาย มันไปยินดีล่วงหน้านะครับใจเอื้อนไปแล้วอัโนน้โลภะเกิดใช่ไหมครับแล้วก็ทําไปไม่ได้เวลาทําไปคือต้องการสหาอย่างทุกนี้ไว้นะนี่ปนเดียหมดไปเลยไม่ได้ใส่ใจทุ่งนี้นะครับเนะ น, นี่ยเพราะนั้นอคิช้าโทมนั้นนโลภะโทสะก็ครอบงำจิตใจไปนะครับมีโมหันเป็นมูอแต่เกล็ดตรงนี้เป็นเกล็ดละเอียดเขาเรียกว่าอนุัยนะมันไม่ได้ออกมาชาัดเจนให้เราเห็นอย่างนี้นหรอกใช่ไหมไมนะั่กงเมื่อยแล้วเนี่ย ไม่ไม่ชอบใจอะไรนี่ใช่ไหมแล้วก็ต้องการเรียงบนมาให้สบายเนี่ยมันแค่แบบอะไรนะมันกับผิวเผยใช่ไหมครับบางทีนะเวลาแทบไม่ได้ใส่ใจวะเนี่ยมันคือกิเลสอันทีมันไป็นะครับแต่เป็นกิเลสละเอียดเขาเรียกว่ารู้ใส่นะมันไม่ได้ก้มบุ่มหรือว่าล่ลวมละเมิด อ, ออกมานะครับเนีวลาเจอถึงภาษาก็ให้ใส่ใจนี่นะครับใส่ใจอิริยาบถใส่ใจทุกนะใส่ความใส่ใจความมันเป็นนะครับถ้ามีโอกาสก็เข้าไป อางน้อยก็ไดศึกษานะว่าเป็นยังไงนะครับการปฏิบัติภาษานี้เป็นยังไงใครพอรู้บ้างครับว่าปฏิบัติภาษานี้เป็นยังไงมีส่วนรู้ไหมพอรู้ไหมใครทําอะไรบ้างปฏิบัติที่นี่นอนเอาไม่ได้เอาสารยิริยาบทบพัง น, นะครับ ท, ที่ที่นี่ปฏิบัติอะไร เพื่ออะไรใช่ไหมครับครับแต่ว่ามันไม่ทำแบบน้าใหม่ๆนะอาจารย์ไม่คุ้นเคยกรารคนอย่างนี้นะครับครับถ้าแะน่นนะแต่ไม่ให้ดูจิตนะครับดูที่กายเน่นะเพราะว่าเป็นอิทธิบาบผะนะครับเราเรียน <c oughs> สติปัฏฐานมันจะมีข้อหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหม มีอิรยาบทพระส่ใจอิริยาบทนะครับแล้วก็สัมปชัญญบทพระดูวยอิริยาบทย่อดนะครับบานทีก็คู่กันไปแต่ต่้งใจใส่ใจอิริยาบถใหญ่ก่อนนะความจริงเนี่ยมันมีทุกข์ที่เราต้องเปียนต้องแก้ต้องทําทั้งวันนะครับตั้งแต่ตื่นจนหลับใช่ไหมทําไมคุณต้องลุกจากเตียงด้วยไม่ลุกได้ไหมครับนอนไปเลยทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมมันปวดมันเมื่อยนะครับทำไมต้องล้างดนะ้ำทำไมต้องแปรงฟันไม่ได้นะครับ มันทุกไม่สบายใช่ไหมมีกลิ่นอะไรอย่ยครับเนี่ยมันต้องทำนะครับทําไมต้องอ่านต้องดื่มต้องกินต้องอะไรสารพันนะมันมีทุกตลอดทั้งวันเลยแต่ทํามอะไรยังไม่เห็นทุกข์สักทีแทานทุกมันเมื่อหนาไปแล้วครับถ้าไม่เห็นทุกข์น่ะเพราะว่าอวิชชาทุกนั้นตรงนี้มันปิดบังนะครับกิเลสมันปิดบังหมดเลยนะมันมีแต่เห็นแต่ว่าเป็นวิปลาสครับมีปลาสเห็นข้างเคลื่อนนะแต่นี่ความจริงเป็นทุกข์ไปเข้าใจว่าเป็นสุขใช่ไหม มันไม่เที่ยงเป็นหน้าตาเขาจะว่าเป็นสูตรเป็นตานครับพอเกลี่ยงบังมันไม่ได้ใส่ใจเห็นความจําเป็นไงทั้ายในความจริมันมีอยู่แล้วนะที่ไปปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ให้ทำอะไร อ, อีกขึ้นมานะครับไม่ให้ทําอะไรพิเศษขึ้นมาเลยถ้าทํำขึ้นมาพิเศษถือว่าผิดแล้วนะตัณหามันเข้าแสกนะครับโลภะมันเกิด ม, มันอยากจะรู้ใว้ใว้ใหญ่ได้เยอะๆใช่ไหมการปฏิบัตินี้หัวละเอียดมากน่าแบบทุ่มช็อตเลยนะครับคุณโลภะเข้าเรืตรงนี้เนไม่น่าเลยนะ เพราะถ้าเราไปศึกษาจริงๆมันจะรูร้ว่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาต้นปฏิบัติที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับถึงจะปฏิ บ, บัติได้เข้าถึงได้นะไม่ใช่มาทํากันอยากจะรู้เยอะนะก็ปล่อความเพียรไม่ให้หนักมันจังกลมม่ให้ปลาลากเลย <c oughs> ให้ปลา ก, กระลอนเดินจงกลมอะไรอย่างนี้นะไม่ได้นะครับมาดีเพียรยิ่งเยอะเพียรผิดใช่ไหมการจะบอกเพียรถูกก็ได้เพียรผิดก็ได้ถ้าเพียร ผ, ผิดก็ผิดเยอะนะครับถ้าเพียรถูกก็ดีไปเพราะฉะนั้นต้งีงละเอียดนะ ก็ยอมรับไปเนะื้การปฏิบัติ์อย่างนี้แล้วก็ครูบาอจารย์หลานให้ก็ล ย, ยอมรับไปที่ได้เห็นผลแล้เกี่ยวกับการป้องกันกิเลสนะครับแบบ่ทุ่นฉอดเลยนะมันสร้างแต่งอะไรขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นบางที่ในข้าจะมีการตั้งตั้งท่าแต่งยอัจฉริยะขึ้นมาใช่ไหมให้เป็นพิเศษของคนข้าวกำมารฐานเฉลี่ยพรนะครับตอนนั้นมันทีปัญหามันเข้าแล้วนะครับทำไมต้องทําอย่างนั้นละ่ะพวามหมายได้รู้เยอะๆอร่างเครับตั้งหาเข้าแล้วนะแต่ที่นี่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ อันนี้พูดฟังข้ามนะอยากดูรายละเอียดก็ไปอ่านนะครับหรือไปคุยกับอาจารย์ได้เลยไปสอบถามอาจารย์ที่สงสัยไม่ไแน่ใจว่าปฏิบัติอย่างนี้เน่ะมันจะผิดหรือจะถูกยังไงใช่ไหมไปสอบถาม้า้า น, นะครับ mm hmm. เขาเขาท้าพิสูจน์เลยนะไม่เชื่อเป็นไรนะครับไม่เชื่ออย่าโลภลุนแต่ท้าพิสูจน์ได้เลยนะไม่ได้เห็นผลนก็เหมือนเ้าท้าให้ถามนะครับว่าอะไรเป็นยังไง mm hmm. ตอนนั้นเน่ะผมไม่อยากพูดกับนพีบานเร็วนี้ เนี่ยก็ไม่ลงกักนพ่อแกก็ยังแรงอยู่ยังวัยรุ่นไร ม, มากนะเป็ไนไน<ม>แล้วก็ฟังแกว่าอย่างดีพอเดีอย่ารอนมิชาเข้ามามิชาเข้าไปโตกลับอ้โหนนัดแรก็ตอนนั้นอาจารย์เข้าหนึ่งทีน่ะจิตสันตะิน่ะเข้าไปคุยอาจารย์สิบคนนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนี้นะคุยไปคุยมาเข้าแบบเขาจนเข้าไปไม่ถูกนะครับเ้าก็เลยยอมรับนะยอมรับไปแล้วนะครับว่าเนี่ยยอมรับ การปฏิบัติน yes. ี้นะแต่พอไปมากลับไปที่วัดที่ที่อยู่นีครับเกิดไม่ยอมรับขึ้นมาอีกเกิดไม่ยอมรับขึ้นมาอีกนะคือการลำบากเหมือนกันแต่ความจริงเ้าท้าพิสูจน์แล้วเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ดูปฏิปทาของคนที่ปฏิบัตินะแล้วก็ไปสอบถามเนี่ยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับและที่นี่เขาปฏิบัติกันจริงเขาไม่ใช่เรียนแต่ปริยัอย่างเดียวนะเขาปฏิบัติแล้วก็เขาพิสูจน์มาแล้วนะครับเขาก็เลยกล้าแบบ กล้าที่จะเปิดเผยกล้าจะบอกนะและการปฏิบัติอย่างนี้ไปคิดว่าเนี่ยอาจา ร, รย์แน่คิดขึ้นมาเองไม่ใช่นะครับมาจากของพ่อแม่เ ก, กันนะอาจา ร, รย์พระนรตามีประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับและอาจารย์พระนรตาเม็นผู้ที่แตกฉานป ร, ริยัตินะเข้าใชา้ปฏิปิฎกนะครับนั้นนะขนาดคนที่เขาแ ต, าตากฉ า, การรนที่เขาใช้ปฏิปิฎกท่านยอมรับการปฏิบัตินี้ท่านไม่ยอมเฉยๆนะถ้าการปฏิบัติอย่างนี้นะครับไปทดลองปฏิบัติให้ตนเองเลย โดยมีโยเข้ามาสอนให้ใช่ไหมไปวิสูจน์ปฏิบัติเลยแล้วมันก็ได้ผลจริงนะคร mm ับ hmm. เราก็ไม่รู้ว่าขั้นไหนนะอ น, นี้มาคชาเล่ามาอทีนะคร mm ับ hmm. ท่านั้นเล่ามันได้ผลจริงท่านก็เลยเผยแผ่นะคร mm ับตอนนัมันเผยแผ่มันเป็นเจ้าอาวาที่วันไหนนะวันหน้าป่งครับนี น, นะ mm hmm. แล้วก็สอนกรรมฐ า, านชพวกนั้นนะคร mm ับ hmm. มีทั้งพระทีโยมาจะปฏิบัติอันเยอะนะคร mm ับ hmm. แต่ไม่มีใครที่รับได้เต็มๆเลยนะ เจอแอาจารย์แหน่งป็นโยมบัญิการแล้วก็สามารถสืบทอดการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้รับได้นะแล้วก็ได้มาเผยอย่างถึงทุกวันนี้นะครับมีที่ไปที่มานะจะว่าโยไม่ตรงหลังเท้าไม่อะไรยังไงเนี่ยอ้าวขนะคนที่เขาเข้าใจประธารมหลวงเขาก็ยังยอมรับเลยนะครับไม่ตรงได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับนี้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยววันหลังจะเล่าประวัติให้ฟังกันแล้วกันใครใครใครให้ฟังประวัติการปฏิบัติอย่างนี้มางครับ ตางเริ่มต้นอะไรเมื <c <c ่มาจากใครนะครับของริบบิ <c <c ้จัอ้้าขายเนี <c <c ่ยที่เราแบบผมเคยคยมีที่ค่องมีพระอะไรอยู่รูปนึเป็นการทำพระว่าวปฏิกาแน่ครับคขาบอกว่าเรื่องนี้ฟังใช่ไครับ เหตุมุขต่อนหน่อยใช่ไหมให้จบตรงนี้เลยนะให้จบตรงนี้เลยนะครับเหตุเกิดได้ประเภทอาบัต น, นะครับสิคราบบทนี้มัาา่งคั่งเจ้าทรงประรบพวกมิสุทชาวเมืองอารวีในเมืองอารวีบัญญายนไปแล้วเพเหตุคือการขุดดิ น, นครับเป็นสาธารณะบัญญัติพิชญินเหมือนกันนะครับสารติกานะครับใช้ก็เป็นนะอันนี้ใช้ด้วยคําที่ไม่ถูกต้องนะครับจงขุดดินนะครจงขุดตรงนี้ เป็นดินแท qu ้แท้นะครับชานตะบัตทวีเป็นดินแท้แท้นะแต่พิสูจน์มีความสงสัยหรือว่าไปสําคัญถือว่าไม่ใช่ดินแท้นะครับไม่ใช่ดินแท้นะไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้แบบเป็นดินแท้แท้สงสัยแล้วก็ขุดอันนี้ต้องบัตทุกตกนะครับหรือว่าไม่ใช่ดินแท้น่ะแต่ไปเข้าใจผิดว่าดินแท้ไม่มีความสงสัยอันนี้ต้องบัตทุกตกนะครับอยงเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นดินแท้แต่เข้าใจว่าเป็นดินไม่แท้นะครับอันนี้ไม่ต้องอาบัตเลยนะครับคนนี้เป็นสติปัจจการต้องมีจิตเท่านั้นนะครับต้องมีเจรนาจงใจนะถ้าไม่รู้นี่ก็ไม่เป็นน่าสงสัย <Pie ces> โดนท่างนั้นนะถ้าไม่รู้เข้าใจผิดว่าเป็นดินไม่แท้นี่ไม่เป็นนะครับอันนี้ อ, อาบัตนะที่สุดไม่ต้องอาบัตเมื่อไม่ได้สั่งกาหนดสถานที่ว่าท่านจงขุดตะจงขุดบอจงขุดขันนะครับ เนี่ยก็บอกไปเลยนะเน่นขุดสะขุนลุ่มหน่อยแต่ไม่ได้จี้ว่าตรงไหนนะบอกว่าขุดลุมนะครับไอคาว่าหลุมหมายคำว่าอะไรไม่ได้บอกว่าขุดดินบอกว่าขุดลุ่มหรือว่คือไอที่ที่มันขุดลงไปแล้วใช่ไหมเราไม่ได้บอกเนี่ยขุดดินแคหน่อยแล้วก็ไม่ได้จี้ว่าให้ขุดตรงเนี้ยนะบอกแต่ไม่ได้กำหนดสถานที่นะครับเนี่ยบอกแต่ว่าจงขุดดินครับไม่ได้การตัดหญ้าก็เหมือนกันนะเอาเน่หญ้ารกแล้วช่วยตัดหญ้าหน่อ แต่ไม่ได้บอกตรงไหนนะไม่ได้ไปที่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัตรนะครับนี่นะมันมีแง่มุตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องอ่านบันตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนคำอ๋อไปกับปิยะญาตตรงนั้นแน่ก็ <c oughs> เปลี่ยนคําได้แต้มันมีทีนี่อย่างนนี้ ปักกับต้นไม้อะไรใช่ไหมอ๋อปักลงดินเหรอก็ไม่ได้นะก็มีกุงแรดีไอ้ถาไม่บอกให้ปักไม้ให้บอกจะพูดยังไงดีอนะอ๋อบอกให้ปักไม้ม่ได้บอกให้ทำลายดีอ๋อเจาะตรงนี้เลยนะครับ อ, อย่างนี้ไม่ได้นะ มีการจี้สถานที่นะคับตันนี้มีปัญหานะมีการจี้สถานที่นะครัียกับเรื่องมีเกครับผมจะเปี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นกระิยานตรงนั้นตรงนี้นะจะระวังตรงนี้นะทีนี้เนี่ยนะปากตรงนั้นตรงนี้เลยนะอ๋อ มันมีการขนส่งฐานทีป่ประธานนั้นนะเอาว่าสงสัยไม่ก่อนว่าใจเขาจว่าจะโดนนะครับนะจะใช้คําแก้ยังไงดีจะแก้ยังไงดีถ้าถือว่าอาการเนี่ยต้องอบัง น, นะเขาบอกให้เขาปักตรงนั้นเลยใช่ไหมครับจะจะวิธียังไงครับเนี่ยอ่านั่นกรณีจริงเกิดขึ้นอย่างนี้แหละต้องการให้ในปักนั่นแหละแต่ว่าจะใช้คำพูดยังไงที่ในจะรู้เรื่องด้วย แล้วเราไม่ต้องอาบัตด้วยอ <c oughs> ๋อเราเร า, ก, า ก, ก็บอกอนี่ไม่เปล่าเน้นหนุ่มพี่ต้องการทำหลักตรงนี้น ะ, นนะเออต้องการต้องการปัหลักตรงนี้ไม่ได้บอกให้เน้นปักหลังเ <c oughs> <c oughs> ข้าปากทำไมซอ การใช้คำเงียบเดียนชอนจะรู้เรื่องอ่าเนทําำไงก็ได้ให้ต้นไม้มันไม่เอียงนั่นเนี่ยสงสัยต้องเอามาันให้ม า, <ร>าอ่าเราบอกว่าต้องเอาไม้มาคนะ้านะยิงกันแล้วกันนะครับได้เนี่ยหาไม้มาตอนแรกเราพูดปักมันก็ได้ตอนแรกนะอย่าเพิ่งกำหนดสถานที่นะครับ เหมือนมันเป็นไรใช่ไหมแล้วบอกให้เนี่ยช่วยไปปักไอเสาให้หน่อยนะทั่วปักเสาไม่ได้ปักดิน <c oughs> อย่างนี้นะครับช่วย ป, ปักเสาให้หน่อยจะเําต้นไม้ให้นะครับอย่างนี้เนี่ย ก, ก็ก็บอกอย่างตอนแรกพูดหน่อยนะครับแล้วเนว่าตรงไหนบ้างเราก็ไม่ได้บอกเราบอกต้นไม้ต้นาานั้นนต้องต้องเําใช้วิธีอย่างนี้นะครับมีต้นนั้นแต้นนีเนี่ที่จะต้องเํ า, อ, เาอย่างนี้นะหาวิธีเรียงออกมานี้หมครับ เท่าไหรมากที่ต้องฝ่กหลักนะเราบอกเราเนี้ยเนี้ยก็แล้วกัน แ, แต่เมึงก็ว่าจะได้อะไอย่างนะมึงก็ว่าจะได้เอาว่าเน้นรอหายใจทิ้งครับใช้แน่ใจชฉยๆไปเลยนะอันนี้ครับทิ้งไว้ก่อนนะแต่ให้เรี่ยมนี้ที่สุดก็คือบอกบอกก่อนตอนแรกแล้วก็พอไปถึงก็ก็บอกว่าต้นนี้ต้นนี้มันต้องค้าอย่างนี้ก็ได้ ก, กันนะ มันต้องใช้อาลักช่วยแลจะบอกตอนนี้ตรง น, นี้อย่างนี้นะต่อไปนะครับออะไรเนี่ยขุดดินดีกว่าครับดังนี้ขุดก้อนคลนตมหรือดินลอยกีดโคที่แต่งหางไปทอดแดดนะครับในกรณีที่มันไม่เกิดดินข้างล่างนะจะเป็นคลนตมที่มันเป็นลอยไขก็แล้วแต่นะครับหรือว่าที่กีดท้าโคลใช่ไหมโคไปเหยียบแล้วก็ดินมันออกมานี่นะครับ ที่แต่งมาแหงก้อแดดโดยที่ไม่ติดข้างล่างแล้วนะอันนี้เราออ ก, ออกได้นะครับทุบมาหน้าม่เป็นไรขุดดินที่พังจากตะหลิ่งแม่นะนะครับตะหลิ่งแม่น้มันพังลงมานะดินนั้นก็ขุดได้นะครับซึ่งตกไปโดยไม่ติดกับดินข้างล่างใส่ใจคํานี้ว่าไม่ติดกับดินข้างล่างนะนะครับก็ถือว่าไม่แท้และก็ยังไม่โดนฝนรดนะคนสี่เดือนทุบธรราดาชาตาดปฐวีทั้งหมดดินไม่แท้นะครอันนี้ก็ได้ แม้เป็นก้อนใหญ่เช่นก้อนดินที่เขาถ่ายไว้เป็นต้นพราดินไม่แท้มมีปัญหายอยู่แล้วนะครับกล่าวว่าเธอจงรู้หลุมของเสานี้นี่ไงใช้คํานี้เลยชอชอจงรู้หลุมของไม้นี้เลยจงรู้หลุมของไม้นี้อ่าปักใช่ไหมจงรู้ไม้ปักของไอนะต้นไม้ต้นนี้อย่างนี้ชอนอย่างนี้เลยนะตรงต้งที่สุดเนี่ยตามนี่เลยนะ ตาปไปเลยเลยครับไม่ต้องคิดว่าจงให้ดินเหนียวนะครับจงนําดินเหนียวมาเราต้องการดินร่วนนะครับจงทําดินให้เป็นกับยะครับนี่นะหน้านะครับไม่มีเจนาเกิดทําลายดินด้วยนะครับด้วยการตีนท่อนไม้เป็นต้นที่สุกกาลังทําก่อสร้างทํางานอะไรก็แล้วแต่นะแท่ากิ้งต้นไม้ไป เจตนาจะกิ้งท่อนไม้หรือว่ากิ้งโคกที่ไหนก็แล้วแต่นะเ<ม>กิดดินแตกทํำลายมันเป็นอบัติเพราะไม่ได้เจตนานะครับ mm. เผลอนะครเอานิ้วเท้าเขี่ยดินเป็นต้นท่านคุยกับคนอื่นอยู่นะใส่ใจเรื่องที่คุยไปนะครับแต่มือจับไม้ ก, ก็เขี่ยดินนะไอ้เผลอสติไปนะครับไม่รู้เขี่ยไปเท่าไหร่น mm. <laughs> อันนี้ก็ไม่ต้องอบังว่าพอาียิ่งต้องมีจิตเท่านั้นนะครับที่มีเจตน า, าจริงค เาเียอดเอัวอไนเก็ยังไม่รู้ว้แงความคิดอคิด้อใจมันคิดรอยไปใช่ไหมแต่มือก็ขี่เขียเเถ้าผสติไม่เป็ถ้าผลสติไม่เป็นเต่ท่าตั้งใจนะโนนะ ถึงจะไม่รู้สิข้าบ่นนะถ้าตั้งใจทํานั้นก็โด น, นครับไม่รู้ว่าเป็นชาตปิปฐวีเราเข้าใจว่าเป็นดินไม่แท้นะครับนึกบอกว่าเขามกรองไว้ยังไม่ถูกฝนร่อนนลยท่านี่ฝุถูกฝนเลาะและวเกินสี่เดือนและะ้วใช่ไหมครับหรือไม่รู้ตัวว่ากําลังขุดดินนะครับหรือว่าทําลายดินในกรณีทีเ่เราไม่เคยรู้เลยว่าการระบมบ่าในที่นี้เป็นการทําลายดินใช่ไหมเราไม่รู้นะครับ แล้วก็เป็นระบบบาห์พอเป็นระบบบาห์เขา้เอาอ้าวดิมันไม่เป็นแถมเลยนะเป็นการทําลายดินไอนน้ตัวเองไม่ได้สใส่ใจไม่ได้คิดเลยนะครับเข้าใจวไม่ได้เป็นการทําลายดินนะอันนี้ก็ไม่ต้องลำบาก น, นะครับอยู่ในข้อไม่รู้นะตอนนี้ตัวนี้ต้องรู้ถึงจะดำเนินนะอย่างกรณีกรณีที่รถอาถัยตรงนั้นนะเพราะว่าจิบปวดท้องอยากจะเอามือขึอ้นไปดุมอะไรแบบนี้ ยังจะชื่อว่าเป็นเป็นดินแห้ง ม, มันถูกฝนตกนวดกี่เดือนนั่นเองครับมันมันต้นไผเนี่ยอืาครับไผที่อยู่บริวารแต่ว่ามันโดนฝนรวดมาแล้วใช่มครับ <c oughs> ยังไม่ถึงสี่เดือน <c oughs> ข่าวข่าวยังไม่ถึงสี่เดือนแต่มีปัญหามันเกิดขึ้นข้างหน้านะถ้าส่วนที่มันออกมานะครับความจริงก็ได้อยูนะ่าได้มยังไม่ถึงสี่เดือ น, นะครับแต่มานจะมีปัญหาว่าบางมาที่นะ่ะ มันติดเนื่องกับดินคลากันเลยเช้นกมันจะมีปัญหาตรงนี้มันไม่เป็นกองชัดเจนที่เขาเอาทรายมากองในวัาถุเหล่เนี้นะเมื่ทีมันแต่แท้เราเห็นว่าเป็นกองไอตรงนี้แหละที่มันมันเป็นกองอยู่ช่นกันอย่างนั้นข้าวปูนดันอ่าๆข้าวพันอย่างนั้นก็พอได้พอได้ข้าวขาวจุดไฟก็ไม่ได้จุดไฟก็ก็ไม่ได้ อ๋อนั่นได้ในกรณีพิเศษนะครับอันนั้นจะแต่จุดนั่นเลยนะแราไม่เป็นอาานัตราตรง น, นีอ๋อไม่เป็นครับตัวนี้เป็นข้อยุ้้งพิเศษในกรณีนั้ น, นเกิดอันตรายนะถ้าท่้นไปอยู่ป่าไปปฏิบัติ อ, อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไฟป่าลามานะอย่าว่าแต่ขุดดินเลยนะครับพอสรงนี้ให้เผาญ้าได้เลยนะเผาย้ารอบๆนะครับคือพอเผาญ้าแล้วย่ามันจะลามไป แล้วก็ไฟมันจะมาจดกันแล้วก็ดักเข้าพอดีใช่ไหมครับแต่ต้องเกี่ยบริเวณ ป, ปูติให้ดีนะทําเป็นร่องทําเป็นอะไรนะครับไม่ใช่ลามัไหม้ผู้ติดเองเราทําเป็นร่องกั้นไมนให้มียามีอะไรแล้วนะที่จะมารอบผูติเราเนี่ยจุดไปแล้าไฟมันจะลาไปพอไปเจอปุ๊บแล้วก็มันจะดักบไปะะใช่ใช่ค่อยไว้กรณีพิเศษนะครับอันนี้นะมันจะมาไหม่ทําตนายนะหรือว่าในที่พักสงรมันจะถูกไหม้ใช่ไนมครับก็ได้ อันนี้นะครับและที่สุบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัติสิกขาบุนี้มีองคศาเหล่านี้คือหนึ่งนะครับเป็นชาติปฐวีดินแท้ๆนะครับสองรู้ว่าเป็นชาติปฐวีทุกท่านรู้ด้วยนะสามขุดเองหรือใช้คุ่นขุดนะครับเมื่อครบองศาก็ต้องดไปจีนสิกขาบุตรนี้ <c oughs> นี่นะเอาอย่างไรอย่างหนึ่ง น, นะครับนี้สมุทฐานเป็นต้นเช่นเดียวกันแนวะทินาทานสิกขาบุตรต้องมีจิตอย่างนี้ จิตวาจาจิกางวาจาจิตแต่ในสิกขาบทนี้เป็นประนักจิตวชชิชะใจไม่ได้เป็นอกุศลอย่างเดียวนะแค่ถุดดินกรณนนีที่มนุษย์ภาพบรญยัตินะครับมีจุดสาบิธานาสารจบการที่บาลปทวีขณะหน้าสิกขาบทจบมุสาวาทะวะที่หนึ่งนะครับเอาความจยังมีอะไรตกลงอยู่บ้าง น, นะเดี๋ยวคาต่อไปน่ะหลังบรรพชื่นะครับก็จะมาซ้ําตรงนี้อีกหน่อยนะ จากคำที่มาในภาพบาลีนี่ครับจะประมวลให้อีกหน่อยแล้วก็จะถามปัญหานะครับถามปัญหาเลยไม่ทิงไม่นานะล้เนี่ยเลยครับ ก, บกบอถามก็าครับว่ามุสาวมาวข้อหนึ่งวัที่หนึ่งวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับในท่านที่สุด ขอความเจริญงอกาางามในธรรมวินัยของพระสัมมาสัุทจ้าจงเก็ดท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเธอ พอจบมันก็จะถามปัญหาเลยแต่ขอถามปัญหาเป็นท้ายชั่วโมงไปนะครับจะได้ไม่กินเวลายเลยอะนะอันนี้จะทวนให้อีกหน่อยนะคร <S <S คือเพมเติมให้นะว่าเกี่ยวกับการขุดดินเน่ะมีอะไรอยลาเงี้ยนะครับที่สอนเพมเติมให้เัรานั้นนะเกี่ยวการขุดดินไม่ใช่เฉพาะว่าคือในตัวสิกขาบทนะ่ะโยบนาทิกขูใช่ไหมอันหนึ่งที่สูดไดขุดเองก็ดีใช้ขุดก็ดี ซึ่งแผ่นดินนะคต้องบัดซบสุดทีนี่นะคําว่าขุดในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าขุ ด, ดยอย่างเดียวแตการทําลายก็ดีเผาก็ดีนะครับหมายถึงทั้งหนดนะไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการขุดการเจาะการเผาการทําลายนะอยูรร่ในคำว่าขุดทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ครัาวที่แล้วนะก็อย่างนี้นะก็อย่าเพิ่มเติมให้ตรงนี้ เขาบอกว่าแะ่ถ้าเราใช้คําพูดที่มันถูกต้องเนียก็ได้เหมือนกันว่าขุดเองหรือว่าใช้ขุดใช่ไ้มครับ <c oughs> เป็นําบัทั้งนะั้นหมายก็ว่าใช้คําพูดที่เป็นอักขปสียะนะครับท่านก็บอกว่าถ้าเราใช้คําพูดที่ถูกต้องนะได้อย่างเช่นที่สุกล่าวว่าเธอจงขุดสามบุคคลาีอนี้เลยนะคเนี่ยเอาแ น, น่นชื่อยกันขุดสามบุคครณีหน่อยเพราะว่าเน้นเยอะใช้ไห มีแคห้าสิบองนะได้เชื่อคุณสาวเลยอันนี้ได้นะนะครับเพราะว่าสาวที่ขุดแล้วเท่านั้นจึงเป็นสาวบุคลนิใช่ไหมครับที่บอกว่าอคุณสาวบุคลณีเนี่ยความเป็นสาวคืออะไรก็อาที่มันมีอยู่แล้วมันขุดแล้วใช่ไหมครับเป็นร่องเป็นแหล่งที่ว่าสาวนอ้ขุดสาวมันก็ไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เจาะจงที่นะอันนอย่าสาวบุคลณีเนี่แปลว่าสาวบัวง่ายๆสาวบัวนะ อันนี้ภาษาบาลีนะครับนะ่ะเพราะฉะนี้นั้นโวหานี้เป็นกะเพรยะโวหาร น, นะครับหรือพิสูุนพูดว่าจงขุดเบิงขุดบอ่อขุดหลุมก็เหมือนกันนะก็เป็นกัเพรยะทั้งหมดแต่ว่าจะไปเจาะจงที่นะครับถ้าบอกว่าจงขุดนะครับสาบบกพลานีในโอากาสนี้นะขุดหลุมขุดบอ่อขุดเ บ, บิงที่นั่นที่นี่เนะไปเจาะจงที่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะในจงขุดดิน เราไม่ได้บอกที่ไหนใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าบอกว่านี่จงขุดดินตรงนี้นะครับโดนอะไรขุสาสร์ขุบึงคือบอกเหมือนกันนะครับอันนี้นะเพราะว่ากําหนดสถานที่เป็นเลยโดนนะครับทีนี้นะครับแต่ถ้าจะกลาวไม่กําหนดนะไม่กาหนดแน่นอนว่าจงขุดเน่าจงขุดล่าดังนี้ควรอยู่นะครับจะกาวว่าจงขุดเทาวันนี้นะครับจงขุดเน่า หรือราดอานี่ตรงสถานที่ไม่ควรนะอันนี้แค่นี้นะครับเกี่ยวกับคำพูดที่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะหรือจะใช้กับาาเตี้ยวว่าแน่งกับปียะ้าดินหน่อยอนี้สบายเลย <c oughs> นี่ก็ทํานี้สมควรใช่ไหมที่ไม่บอกว่าถุก น, นะครับเอาขอตอบคําถามชอนวันนั้นนะเกี่ยวกับต่อกไม้ที่มครับคําต้นไม้นะในถามว่าต่อตรงนี้ได้ไหมพี่ต่อตรงนี้ใช่ไหม ใช่ไหมเนียถ้าผ้าสั่งมันไม่ได้อีก่แล้วใชครับถ้าพ้าสั่งพูดไปก่อนอะไร น, นะเนี่เสียบเสียบอะไรนะคือทเตัดไไห น, น, น่คือให้ทำไป็น่ามาเป็นปนนากข้างหน้าเไปพ อ, อไปถง ก, ก็อันี้อันอนึงตัวน้นอันนึง ตอแรกพูดไปก่อนใช่ไหมหปักไมา อ, อไม่โดงครับเ <c oughs> พราะตอนแรกที่พูดให้ไปปักไมา้ไม่ได้เป็สถานที่ใช่ไหมที่บอสจงขุดดินนะครับแต่ตอนนี่เป็ น, นสถานที่ไม่ได้บอกว่าปักไม้บอสตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้อันนึ่งเป็นอันหนึ่งใช่ไหมยัไม่โดนท่านอย่างนี้นะเพราะตอนแรกก็เป็นสถานที่ตอนนี้กําหนดนก็ไม่บอกว่าปัก ใช่ไหมก็เลยรอดนะครับแต่ถ้าตอนที่ใบคี้มยังบอกให้ปักนี่นะตรงนี้ถึงจะโดนใช่ไหมนี่นะนี่ได้แล้วก็ะะะะแล้วหน่ยนะมีอะไรนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องจอมปลวกนะอันนี้เล่าให้คุณจอมปลวกจอมปลวกที่ตัวปลวกมันสร้างขึ้นเองใช่ไหมอันนี้นะครับจะแยกออกตามสะดวกควรอยู่นะครับ สามารถแปลออกได้เลยจอมผัวผัวมันทำนะคือมันมเป็นจอมเลยนะครับไปขุดแปอะไรมาได้เลยนะอะถ้าจอมปัวเกิดในที่แจ้งนะครับฤดูฝนน้ำถ่วงฝนเนี่ยตกรอบสี่เดือน น, รรนั้นนะครับตกรอบครั้งหนึ่งนะี่ยะเวลาผ่านไปสี่เดือนไอ้จอมผัวมันการาดินแท้ขึ้นมาเห็นไหมครับนั่นนั่นเราก็จะขุดไม่ได้นะที่บอกว่าขุดได้าพรมันยัไม่โดนฝนรอดถึงสี่เดือนนี่นะนะรหรือแม้แต่นี้นะครับ ไม่ใช่จอมฝนที่พูดเพื่อมาอย่างเดียวนะแม้ดินเหนียวของตัวปู๋ที่ขึ้นไปบนต้นไม้เป็นต้นก็เหมือนกันแต่ปู๋ที่มันไอ้นะทําไปทางขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เก่อดินขึ้นไปนั่นนะนั่นก็เหมือนกันนะครับเอารรถูกฝนตกแล้วมันตกแล้เหมือนกันนะถ้าเพิ่งทาหรือว่าทําน้แต่ยังไม่โดนฝนอันล่วมไปถึงสี่เดือนนี่ก็ยังไม่เป็นมันยังไม่เป็นดินแท้นะครับเราสามารถออกได้ แตไปทําให้ตัวมัน้ายนะดูให้ดีนะครับถ้าตัวมีแล้วก็ไม่ออกก็ได้แต่ว่าอันตัวไม่มีแล้วก็สามารถออกได้บางทีเราเห็นมันขึ้นอยู่ในโบนถอันหนึ่งเป็นตัวปั่วทาเป็นทางของมันขึ้นใช่ไหน้าออกได้มันไม่โดนฝนอยู่แล้วนะครับนะผมก็ไปเอาออกมันก็ไม่มีตัวอะไรนะออกได้ทั้งในที่ร่มไม่โดนฝนนะครับทีนี้แม้ขุยไสเดือนนะขุยเนื้อขุยหนูขุยหนูห น, นะ แต่หางกีบโคเป็นต้นนี่ก็เหมือนกั น, นครับที่มันไม่ได้ติดเนื่องกับดินข้างหน้านะเพราะว่าไอ้ที่สายพวกนี้มันขุดออกมาแล้วน่ะมันถือว่าไม่ใช่ดินแท้แล้วใช่ไหมครับก็นอกจากว่าฝนตกลวดแล้วก็ล่วงไปสี่เดือนเป็นดินแท้นะที่ฝนตกนวดนี่ครับเอาน้ําฝนจรีนนะถ้า เ, าเอาสายยางไปฉีดน่ะแล้วก็นดใส่กองดินนัใช่ไหมครับล่วงไปสี่เดือนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ผวเอาน้ำฝนจินตนาการอี่ยบอกว่าเอามันถึงน้ำฝนตกร่นจริงนะครับไม่เอาน้ำดินแล้วก็อันนี้อันสอันนี้ปัญหาไหครับแม้แต่กําแพงนะกําแพงอิฐ ก, กําแพงดินถ้าเป็นกําแพงดินก็คือเหมือนกันนะครับคือฝนตกร่นใช่ไหมถ้าใครจะเอาดินไปก่อกําแพงนแต่ถ้ากําแพงอิฐเนี่ยไม่เป็นไร ถึงแม่อิฐมันมาทําอาจากดินแล้วไปเผาใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นอิฐนั่นแหละนะก็สามารถไปรื้อกําแพงอิฐออกมาได้ะครับไม่ถือว่าเป็นการทําลายดินแล้วก็เอามาก่อนใคร่แวพูดแล้วนะอันนี้วันหนึ่งสาวใหม่นะครับเกี่ยวการเอาอะไรไปต่อดินนั้นไม่ได้หรือแม่แม้การดึงสาวที่มาใช่ไหมครับถ้าบอกว่าพ่สุทธิใจยโยกเอาสาวมนดบ ที่ตั้งอยู่ในที่แจ้งไปทางทางนี้ทําให้ดินแย่ออกไม่ควรถ้าจะดึงเสาก็ดึงตรงๆห้ามเอ็นให้ดินแตกนะครับถ้ามีกําลังหน้าเสาต้นใหญ่ๆดึงมาเลยตรงๆเป็นตะปูเป็นทูบเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปปักไว้นะครับเราสามารถดึงออกได้ตรงๆหรือแม่เอียงถ้าเอียงยกไปยกมาเป็นการทำลายดินใช่ไหมครับอันนี้นะแม้ว่าต้นไม้แห้งตอไม้แห้งก็เหมือนกันนะครับไม้ไม้ผายแห้งเป็นลำใช่ไหม แอยเดินออกมันแห้งตายแล้วนะครับแล้วก็เดิกตรงๆไม่ได้อันนี้นะครับอันนี้น่าไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้มีนิดหนึ่งน ะ, ะแม้จะเอาไม้กวาดครูถูนะครับถูดินแหละน ะ, ะดินมันไม่เรียบใช่ไหมด้วยคิดว่าเราจะทําพื้นดินที่ไม่เสมอให้เสมอดังนี้ก็ไม่ควรนะครับนกึกว่าเป็นการทําลายดินดแล่วนะเพราะมันขูดขาไม่เรียบใช่ไหมก็ไม่กวาปดปัดปัดปัดให้ดินมันแตกออกใช่ไหม ให้พื้นมัเสมอกัไม่ได้ไง น, นะครก็เป็นอาบัตเท่านั้นนะเกี่ยวกับการทําลายดินควรความจริงควจรควจะกวา่าด้วยหัวข้อแห่งวัดเท่านั้นนะครับน <c oughs> ล้วก็อย่างนพูดถึงเกี่ยวกับระบบบัแล้วพูดถึงที่สุดแม้เมื่อจะระบมบาตรเพิ่งระบบในที่เคยระบมแล้วนั่นแหละเพราะในที่ที่เคยระบมแล้วนะดินมันจะถูกเผาใหม่ไปใช่ไหมครับถือว่าเป็นดินเสียนี้ไม่แท้แล้วนะแต่ถ้าเราเป็นระบบในที่ที่เขายังไม่ระบมเลยในในดินนี่แหละ ตรนระบบบาาไฟมันจะไม่ดิ น, นะครับถือว่าเป็นการทําลายดินนะตรงนั้นนะครับไม่ได้เนี่ยต้องดีที่เขาระบมไปแล้วนะคะดินเสียไปแล้วจะวางลงบนแผ่นดินที่ไฟยังไม่ไหม้นะไม่ควรนะครับแต่จะวางไฟลงบนกระเบือ้องสําหระบบบาา ค, ควรอยู่นะครับแล้วก็หาอุบายเอากระเบือ้องไปลองก่อนแล้วก็ค่อยค่อยระบมนะ ค, คือถ้าจะให้แบบชัวร์ๆแลคือไประบมบนแผ่นหินนะ หรือหลังแผ่นนี้ที่บ้านเราใช่ไหมครับอันนี้นะก็ไม่เป็นไรครับก็ทวนให้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะ